เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่ตาง จึงนั่งใจมาวันเพื่อมาเสริมสร้างปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายต้องมีปัจจัยสีชั้นใดจิตใจก็ต้องมีปัจจัยสี่ชันนั้นปัจจัยสี่ของร่างกายคืออะไรก็คือหนึ่ง อาหาร 2. เครื่องนุ่งห่ม 3. ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคจิตใจก็ต้องการปัจจัยสีเช่นเดียวกับร่างกายปัจจัยสีของจิตใจคืออะไรคือหนึ่งทานเป็นอาหารของจิตใจศีล เป็นเครื่องนุ่งห่มของจิตใจสามสมาธิเป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจและสี่ปัญญาเป็นยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมโอสถนี่คือปัจจัยสี่ของจิตใจที่พวกเรายัางมีไม่พร้อม เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายร่างกายของเราได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แต่จิตใจของพวกเรากลับไม่ได้รับดูแลกันอย่างเต็มที่เราอาทิตย์หนึ่งอาจจะมาดูแลเรื่องจิตใจกันสักครั้งหนึ่งบางคนเดือนหนึ่งอาจจะมาสักครั้งหนึ่ง บางคนอาจจะต้องมีวันสำคัญถึงจะมาเช่นวันเกิดวันตายวันนักขัดตะเลิกอย่างต่างเช่นวันมาคะวิสาขะอสสาร ะ, ะวันออกพรรษาเข้าพรรษาถึงจะได้มาดูแลมาเสริมสร้างปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจ เพราะไม่รู้ว่าจิตใจมีความสำคัญมากยิ่งกว่าร่างกายและปัจจัยสี่ของจิตใจมีความสำคัญยิ่งกว่าปัจจัยสี่ของทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายกับทางจิตใจนั้นต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน เช่นเดียวกับความทุกข์ของร่างกายต่อของจิตใจก็มีความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินคือมากกับน้อยความทุกข์ใจความสุขใจนี้มีกำลังมากกว่าความทุกข์ความสุขของร่างกายเวลาร่างกายมีความสุขมีความสบาย แต่ถ้าใจมีความทุกข์ความสุขความสบายของร่างกายนี้เหมือนกับหายไปถูกความทุกข์เข้ามาครุมไว้ทำให้อยู่อย่างไม่มีความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจมีความสุขร่างกายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความตายเข้ามา จิตใจกับจะไม่เดือดร้อนจิตใจจะยังมีความสุขอยู่เพราะความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยความสุขของใจเป็นส่วนใหญ่ความสุขของใจจึงสามารถลบลือกกบความทุกข์ทางร่างกายไปได้หมดางเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย เวลาที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหมือเวลาที่ท่านตายไปจิตใจของท่านมีปรารมงสุขขังมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจจึงไม่สะทกสะทานไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายท่านเจ็บได้อย่างสบายตายได้อย่างสบาย แต่พวกเรานี้ตรงกันข้ามกันร่างกายยังไม่ทันเป็นอะไรใจของเราก็ป่ว ย, ย ก, ว ก, กันไปก่อนแล้วทุกข์กันไปก่อนแล้วเพียงแต่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็ทุกข์แล้วเพียงแต่คิดถึงความตายก็ทุกข์แล้วเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรยังไม่ทันตายก็ทุกข์กันแล้วนะเพราะพวกเราไม่มี ปัจจัยสี่ไว้คอยดูแลรักษาจิตใจนั่นเองพวกเราขาดทางขาดศีงขาดสมาธิขาดปัญญาพอะเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างปัจจัยสี่ของจิตใจเพราะเราไม่รู้คุณค่าของปัจจัยสี่ของจิตใจ เราถูกความหลงหลอกให้เราเห็นคุณค่าของปัจจัยสี่ของทางร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้ไม่ว่าเราจะมีปัจจัยสี่มากน้อยเพียงไรวิจิตทิศดาเพียงไรก็ตามปัจจัยสี่ของร่างกายก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บ ความตายของร่างกายได้พอเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายใจก็วุ่นขึ้นมาเพราะใจขาดปัจจัยสี่ทางจิตใจนั่นเองถ้าใจมีปัจจัยสี่มีทานมีสิงมีสมาธิมีปัญญาใจจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บ กับความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของตนเองหรือของคนที่รักเช่นของบิดามารดาของสามีของภรรยาของบุตรของธีดาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ไม่มีใครที่จะ มาสามารถยับยัง้งไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไปได้มาเดือดร้อนใจมาวุ่นวายใจก็ไม่ได้ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใดกลับทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นมากไปเปล่าแต่คนที่มีปัจจัยสี่โดยเฉพาะปัญญา ที่เรียกว่าธรรมโอสถที่ปัญญารักษาโรคใจเวลาเกิดความทุกข์ใจปัญญาจะมาสอนใจให้ปล่อยวางให้รู้ว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผู้ที่มาครอบครองคือใจมาอาศัยอยู่ชั่วคราวพอถึงเวลาที่จะต้องทิ้งก็ต้องจากกันไปถึงเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งร่างกายได้ร่างกายนี้จึงเป็นเหมือนเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ ของเราอย่างแท้จริงเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราเรารู้ว่าสักวันหนึ่งบ้านนี้ก็ต้องเก่าลงไปเสื่อมลงไปแล้วในที่สุดก็ต้องพังไปถึงเวลาก็ต้องโยกย้ายเปลี่ยนบ้างฉันใดร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านของจิตใจที่ปัญญาจะสอนให้ใจเห็นอย่างชัดเจน แล้วสมาธิคือความสงบที่เป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจก็จะรับดูแลจิตใจว่าไม่มีร่างกายจิตใจก็อยู่ได้จิตใจมีบ้านของตนเองคือมีสมาธิมีความสงบแต่ใครก็ตามถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบ ไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงพอเวลาร่างกายเสื่อมและจะต้องพังไปใจก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ที่จะมาแก้ความหลงที่ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี่คือเรื่องปัจจัยสี่ที่พวกเรายังขาดกันเราจึงต้องพยายามมาเสริมสร้างปัจจัยสี่ทางจิตใจกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงเรือยงเราก็ดูที่ว่าใจเรายังมีความทุกข์อยู่หรือไม่ ถ้ายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าปัจจัยสียังไม่พอเพียงถ้าไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือร่างกายของใครก็ตามถ้าเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการทัดภาาจากของต่างๆเหล่านี้แสดงว่าเรามีปัจจัยสี่ ของจิตใจพอเพียงเราไม่ทุกข์เราไม่เดือดร้อนจะรวยจะจนไม่เดือดร้อนจะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือจะเป็นเล็กก็ไม่เดือดร้อนจะมีใครยกย่องสรรเสริญหรือมีใครนินทาขราหาว่ากล่าวตาหนิติเตียนก็จะไม่เดือดร้อนจะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะให้เสพหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อน นี่คือคนที่มีปัจจัยสีของจิตใจถ้าจิตใจมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์แล้วจิตใจไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาสร้างกันถ้าเรายังมีไม่ความไม่สบายใจอยู่ยังมีความทุกข์ใจอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเรายังต้องพึ่งเขาอยู่นั่นเอง พอเราพึ่งเขาไม่ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราพึ่งแฟนไม่ได้พึ่งสามีพึ่งภรรยาไม่ได้เขาจากเราไปเขาตายไปหรือเขาไปมีแฟนใหม่ตอนนั้นเราไม่มีที่พึ่งแล้วเพราะเราเคยพึ่งเขาให้เขาให้ความสุขกับเราแต่พอเวลาเขาต้องจากเราไป เราก็จะไม่มีที่พึ่งเพราะเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราไม่ทําทานอย่างสม่ำเสเมอเราไม่รักษาศีลอย่างสม่ำเสมอเราไม่เจริญสมาธิอย่างสม่ำเสมอเราไม่เจริญปัญญาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองถ้าเราเจริญปัจจัยสีทางจิตใจอย่างสม่ำเสมอ เหมือนกับเราจเจริญปัจจัยสี่ทางร่างกายใจของเราก็จะสุขจะสบายเหมือนกับร่างกายตอนนี้ร่างกายเราสุขสบายเพราะอะไรเพราะมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรคแต่เวลาใดถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปร่างกายของเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันที ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราขาดทานใจของเราก็จะหิวโหยไม่มีความอิ่มเอิบใจวันนี้ญาติโยมมาทำทานมาถวายสังฆทานมาใส่บาตถวายจตุปปัจจัยอาหารขาวหวานต่างๆให้อาหารแก่ผู้เราก็ได้อาหารกลับมาที่จิตใจ จิตใจของเราก็เกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความสุขสบายใจขึ้นมานี่คืออาหารของใจเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้การให้ต้องให้เป็นของของเราไม่ใช่เอาของของคนอื่นไปให้อย่างนี้ไม่ได้ทานต้องเอาของเราเองต้องของเราที่โดยเฉพาะของที่เรารักเราชอบ ยิ่งให้ของที่เรารักเราชอบได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้ความอิ่มใจเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าให้ของที่เรารักเราไม่รักเราไม่ชอบนี้จะไม่รู้สึกอะไรเช่นเวลาเอาของไปทิ้งของไปทิ้งนี่เป็นของที่เราไม่ชอบขยะนี้เราไม่ชอบเวลาเราเอาไปทิ้งเอาไปให้คนเก็บขยะ เราจะไม่มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเอาเงินเอาทองไปให้เนี่เราจะรู้สึกอิ่มเอิบใจอย่างวันนี้ญาติโยมนำเอาเงินเอาทองมาทำบุญมาถวายวัดญาติโยมก็เกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเพราะให้ของที่เรารักนั่นเองดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมเวลาเราให้อะไรกับใครนี้ เราควรจะให้ของที่เรารักเราชอบอย่าไปให้ของเราไม่รักเราไม่ชอบเพราะจะไม่ได้บุญเท่ากับการให้ของที่เรารักของที่เราชอบยิ่งถ้าเป็นอวัยวะของเรานี่ยิ่งได้บุญมากถ้าเราสละอวัยวะของเราเช่นสละไตให้กับใครไปสักคนหนึ่งสละตาไปให้เขา แต่เราต้องสละตอนที่เรามีชีวิตอยู่คือไม่ใช่ให้ตอนที่เราตายไปแล้วเช่นเราบริจากร่างกายให้กับโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่ได้บุญไม่มีความอิ่มเอิบใจไม่มีความสุขใจเพราะเรายังไม่ได้ให้ตอนนี้เราเพียงบอกก็ว่าเวลาเราตายไปแล้วค่อยเอาไปนะแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ห้ามเอาไป แสดงว่าเรายังไม่ให้จริงเราให้ก็ต่อเมื่อมันเป็นของที่เสียแล้วเช่นร่างกายนี้ตายไปแล้วก็เป็นเหมือนของเสียเหมือนเศษขยะเราให้แบบนั้นจะไม่ได้บุญเหมือนกับให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เช่นพี่น้องของเราต้องการตายเราบริจาคตาไปให้เขาอย่างนี้เราจะได้บุญมาก เพราะใจของเราจะมีความสุขมากที่เรากล้าเสียสละสิ่งที่เรารักไปให้แก่คนที่เรารักนี่คือเรื่องของการทำทานควรทําควรให้ในสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับเราอย่าไปให้สิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ผลดีกับเรานั่นเอง เมื่อเราให้แล้วเราก็จะเหมือนกับมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจของเราไม่หิวโหยเวลาตายไปเราก็จะไม่ไปเป็นเปรตเพราะเปรตนี้ก็คือใจที่ไม่มีทานไม่มีอาหารใจที่ไม่เคยทำทานเวลาตายไปก็ไม่มีทานมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจตายไปเลยต้องไปเป็นขอทานเป็นเปรดไปขอบุญจากผู้อื่นเช่นเวลาเราทําบุญนี้เราอุทิศบุญผู้ที่จะมารอรับบุญนี้ก็คือพวกเปรดนี่เองถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องมารอรับอย่างพวกเรานี้เวลาตายไป เราไม่ต้องมาเรารับส่วนบุญของผู้อื่นเพราะเรามีบุญติดตัวไปเรามีอาหารติดตัวไปใจของเราจึงเป็นเทพใจของเราเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีในร่างที่เป็นเทวดาเพราะว่าเราทำบุญอย่างสม่ำเสมอนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามทำบุญกันอยู่เรื่อยๆ ทำทุกวันได้ยิ่งดีเพราะจะเป็นนิสัยแล้วจะทำให้การทำบุญนี้ทำง่ายถ้าเรานานๆานานทำทีนี้เราจะทำยากต้องมีเหตุการณ์จริงๆบังคับถึงจะทำเช่นมีคนตายในบ้านหรือว่าเป็นวันเกิดอย่างนี้ถึงจะทำแต่ท่านธรรมดาแล้วจะไม่อยากทำจะไม่ชอบทำเพราะเสียดายเงินทอง มีความหวงมีความยึดติดกับทรัพย์สมบัติเพราะรักเงินรักทองอยากจะเก็บไว้ใช้แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายไปนี้ไม่ได้ใช้เลยน่าจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อาจจะตายในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เงินทองที่มีไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเราเลย แต่ถ้าเราเอาเงินทองนี้มาทำทานอยู่เรื่อยๆทานที่เราทำนี้เป็นเงินทองที่เราเอาติดตัวไปได้เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่จะทาให้เราเป็นเศรษฐีเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปดังนั้นเราต้องบังคับตัวเราให้ทำทานอยู่ทุกวัน ถ้าไม่มีผู้มารับทานเช่นไม่มีพระมาบิณฑบาที่บ้าน<อ>ก็เอาเงินที่เราจะใส่บาตนี้เก็บไว้ในกระปุกในกระปอ๋องเก็บไว้เรื่อยๆสะสมไปทุกวันทุกวันพอถึงเวลาวันที่เราจะมาวันเราก็เอาเงินที่เราสะสมนี้มาซื้อข้าวของมาถวายพระต่อไปได้หรือเวลามีงานบุญต่างๆ มีงานผ้าป่ามีงานกัดถิ่นมีงานฉลองโบสถ์ฉลองเจดีหรืองานอะไรงานบุญอะไรต่างๆเราก็จะได้มีเงินมาทําบุญถ้าเราไม่ทําบุญทุกวันเราไม่เก็บเงินไว้สําหรับทําบุญทุกวันพอเวลามีงานบุญเกิดขึ้นมาเราก็ทําไม่ได้เพราะเราเอาเงิน ไปใช้ในเรื่องอื่นหมดก่อนเอาเงินไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปรับประทานเราเลยไม่ได้ทำบุญพอเราตายไปเราก็เลยต้องไปขอบุญของพูนเราก็เลยกลายเป็นเปรตไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นอย่าประมาท ก, กับเรื่องการทำทานขอให้เราทำไปเรื่อย ถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเปรตต่อไปส่วนศีลนี่ก็คืออะไรศีลก็คือเสื้อผ้าอาภรรของใจใจเราจะสวยจะงามก็สวยด้วยที่ศีลไม่ได้สวยที่ร่างกายต่อให้ร่างกายสวยงามขนาดไหนเป็นนางงามจากรวาตเป็นดาราภาพยนตร์แต่ใจไม่มีศีลห้านี้ จะไม่มีใครเขาจะชื่นชมยินดีหรือคบค้าสมาคมด้วยมีใครอยากจะคบกับคนที่ฆ่าบ้างมีใครอยากจะคบกับคนที่ลักทรัพย์บ้างมีใครอยากจะคบกับคนที่ประพฤติผิดตัวเองีบ้างโดยเฉพาะมาปรับยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของเราใครอยากจะคบกับคนโกหกหลอกลวงบ้าง ใครอยากจะคบกับคนเสพสุรายาเมาบ้างคนที่ไม่มีศีลห้านี้ถึงแม้จะมีรูปร่างหนาตาสวยงามขนาดไหนก็ตามจะเสริมสร้างด้วยเสริมความ ง, งามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยเครื่องสำอางชนิดไหนก็ตามถ้าไม่มีศีลห้าแล้วจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย เพราะความสวยงามของคนเราที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ศีลนีเองอย่างพวกเราทําไมเข้าหาพระกันไดท้ทั้งที่พระท่านก็หัวโลนๆหน้าตาก็ไม่มีเครื่องสำร้องสำอาวไว้เสริมสวยเสื้อผ้าก็มีแต่ชุดเก่าๆใส่ซ้ําๆซักๆอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมเรากลับเข้าหาพระกันได้ เพราะพระท่านสวยทางใจพระท่านมีศีลถึง227ข้อด้วยกันเราจึงเข้าหาพระกราพระได้อย่างสนิทใจเพราะเรารู้ว่าพระไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมานั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักของผู้ อยากจะให้ผู้ชื่นชมยินดีรักเราขอให้เราพยายามรักษาศีลห้ากันไว้ให้ได้อย่าไปเห็นว่าศีลห้าไม่มีคุณค่านอกจากทำให้เราสวยงามในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่เราตายไปเราก็จะสวยงามทางจิตใจ คือเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไม่ไปเป็นเดราาัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นผีไม่ไปเป็นสัตว์นรกเพราะศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปรับผลที่ไม่ถึงปรารถนากันคนเรานี้จะตายไปแล้วไปสูงไปต่ำนี้ อยู่ที่ศีลห้าเป็นตัวกำหนดถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปจะไปเกิดในสุขติไปสูงไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพมไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพาาาระอรหันต์ถ้าไม่มีศีลห้านี้ไปไม่ได้ ต้องเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วเพิ่มจานวนศีลขึ้นไปศีลห้าจะพาให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นเทพศีล8จะพาให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นพรหถ้าเรารักษาศีล8ดได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหถ้าเรารักษาศีลแหรือศีลสิ 10, หรือศีล2องดได้ แล้วเรานั่งสมาธิได้แล้วมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยสัจสีเห็นไฟลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิฬาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้ไปถึงขั้นของพระอรหันต์ขั้นถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะยุติการเวียนว่าตายเกิดเราไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่มีการเกิดต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายถ้าไม่อยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดการที่จะไม่กลับมาเกิด ก็ต้องทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญาจนสามารถทำลายกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปถ้าเราทำได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนิพพานขึ้นมา ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร น, นี่แหละคือปัจจัยสี่ของจิตใจที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้จะดูแลจิตใจของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ให้มีความนุ่มเย็นเป็นสุขและจะส่งให้จิตใจของเราได้ไปเกิดในสุขติ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลําดับต่อไปจึงขอให้พวกเราจงอย่าประมากับการสร้างปัจจัยสี่ขอให้หมั่นสร้างกันบ่อยๆสร้างกันเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะมีสร้างนี้จะหมดไปเมื่อไหร่โบราณท่านถึงพูดอยู่เรื่อยๆว่าน้าขึ้นให้รีบตัก ตอนนี้มีชีวิตอยู่ให้รีบทำบุญทำทานให้รีบรักษาศีลให้รีบนั่งสมาธิให้รีบเจริญปัญญาเพราะว่าถ้าเราไม่รีบทำเสียแต่วันนี้เวลาที่เวลาหมดไปเราก็จะทำไม่ได้เกิดไปพบอุบัติเหตุเกิดไปติดเชื้อโรคปลายที่จะรักษาไม่หายที่จะตายภายในสามวันเจ็ดวัน เราจะไม่มีเวลาพอตอนนี้เรามีเวลาขอให้เราพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆทำกันอย่างสม่าเสมอทำกันทุกวันแล้วรับรองได้ว่าเวลาไปจากโลกนี้จะไปดีจะไปสู่ที่สุขติไปสู่ที่ชอบที่ชอบเวลาคนตายไปแล้วเรามักจะพูดว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบนี้ เขาจะไปไม่ไปไม่ได้อยู่ที่เราพูดอยู่ที่เขามีปัจจัยสีทางจิตใจหรือไม่ถ้าเขาไม่มีปัจจัยสี่ทางจิตใจต่อให้พระพุทธเจ้ามาพูดว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบเขาก็ไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีปัจจัยพาเขาไปนั่นเองดังนั้นเราต้องสร้างปัจจัยสี่กันอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไปดีต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศรีรตนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มามำเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งทางจิตใจและทางร่างกายโดยทั่วหน้าการเทอ